สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งรอยี่สิบเจดนะครับขับสมบัติตอนที่สองครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมก็พูดอผิดไปนิดหนึ่งนะครับก็คือระหว่างพระเจ้ากับเงินทองนั้นใครเลือกอะไรก่อนผมบอกว่าเราต้องเลือกเงินทองก่อนใช่ไหมอันนี้ผมพูดผิดไปนะครับพี่น้องครับหลายหคนก็แสวนะครับบอกว่านี่ยังอิงสาเลือกเงินทองก่อนอาจใช่ยังอิงาสอนให้เลือกเงินทองก่อนไม่ใช่นะครับ ผมได้แก้อยู่ในคลิปเมื่อวานนี้แล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราจะมาดูถึงภาพสองภาพด้วยกันที่พระเยซูได้ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพสมบัติครับอยู่ใ น, นพระเจ้าข้าครับในข้อที่ยี่สิบสองของมัทธิวบทที่หครับข้อที่ยี่สิบสองยี่ิบสาของมัทธิวบทที่หนะครับปบดฟังพระเจ้าของพระเจ้าตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วย เดียวถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็คลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบชักเพียงใดหนอพี่น้องครับตาครับได้ถูกยกขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่พูดถึงเรื่องของการมองเห็นฝ่ายวัตถุ ก, กับการมองเห็นฝ่ายวิญญาณครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับการใช้วงตาที่มีอยู่ในตัวเราซึ่งมีสองตาครับตา ฝ่ายเรื่องนั้นนะครับเราก็จะจับต้องจับจ้องสิ่งที่เป็นของวัตถุในโลกนี้นครับในขณะเดียวกันครับก็มีตาอตาหนึ่งก็คือตาฝ่ายวิญญาณครับเราจะเห็นของฝ่ายวิญญาณเพียนงะครับในโคจนาของพระเจ้านะครับบอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนั้นนะครับวงเล็บก็คือสิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณนั้น ก็จะเป็นสิ่งทีท่ถาวรนะครับยั่งยืนมั่นคงกับเไปแต่สิ่งที่เราเห็นได้นั้นมันจะมีวันหนึ่งครับแก่ชร์เสื่อมสูญไปในที่สุดพี่น้องครับดูตัวอย่าง น, นะครับร่างกายของเราเรามองเห็นได้นะครับหลายหลาคนนะครับตอนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับก็มีร่างกายสวยงามมีรูปร่างสวยงามมีหน้าตาที่สวยงามนะครับแต่ผ่านไปห้าสิบปีนะครับเราจะเห็นครับว่าร่างกายที่สวยงามหน้าตาที่ดูได้นะครับดีกลายเป็นอะไรครับ ทุกวันนี้พี่น้องครับเช่นเดียวกันครับนี่คือสิ่งของฝั่งโลกนี้ซึ่งเป็นกายภาพนะครับเป็นฟิสิกส์นะครับถ้าอายตาของเรานั้นจับจ้องอยู่ในสิ่งของต่างๆเหล่านี้แน่นอนครับจะมีวันหนึ่งครับเราต้องเสียในเสียใจรวมทั้งทรัพย์สมบัติของเราด้วยครับทรัพย์สมบัติมันสูญหายไปได้ทรัพย์สมบัติเสื่อมสูญได้ทรัพย์สมบัติเมื่อเราตายไปแล้วลูกหลานเราจะรักษาไว้ได้หรือพี่น้องครับ ไม่ม right. ีหลักการนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างเานี้แต่ถ้าเราสะสมทรัพสมบัติบนสวรรค์ครับแน่นอนครับทรัพสมบัติบนสวรรค์เมื่อวานนี้พระเยซูสอนนะครับทรัพสมบัติในสวนที่เราจะต้องสะสมไว้ไม่มีแมลงจดกินไม่มีสนิมจะกัดไม่มีขโมยขุดช่องรับออกไปได้พี่น้องครับนี่คือสามทางที่ทรัพสมบัติจะสูญหายไปได้ก็คือแมลงกินนะครับสนิมกัดและขโมยขุดช่องไปได้พี่น้องครับถ้าเราเก็บไว้นะครับอาจจะมีศัตรู ของทรัพย์สมบัตินั้นก็คือแมลงครับศัตรูของทรัพย์สมบัติอาจจะมีหลายอย่างครับนะสนิมครับก็คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ทรัพย์สมบัติเรานั้นมันจะเสื่อมสูญไปนะครับและขโมลยก็คือคนที่ไม่หวังดีนะครับในชีวิตของเราก็จะสามารถลักออกไปได้เพียนงะครับในข้อที่สองยี่สามนั้นพูดถึงตาครับผมไม่อยากจะให้พี่น้องได้เหลงไปนะครับว่าตา นะครับฝ่ายร่างกายกับตาฝ่ายวิญญาณนั้นมันจะเหมือนกันได้ไหมนะครับเหมือนกันได้ไหมผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันคงจะเหมือนกันค่อนข้างยากครับนะครแต่ว่าในข้อยี่สองนั้นมีความหวังครับเพราะว่าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยนั่นแสดงว่าถ้าหากว่าเราให้ความสําคัญของตาฝ่ายวิญญาณนะครับชีวิตของเราจะปกติชีวิตเราก็จะพลอยสว่างสวายไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นครับ เห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนในโลกนี้ส่วนใหญ่มองไม่เห็นเพราะคนในโลกนี้กันก็หลงตัวมัวเมาอยู่กับทรัพย์สมบัตินะครับโดยเฉพางยิ่งมีเชื้อเตียนบางกลุ่มบางพวกก็เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นตัวของเราเองด้วยผู้ที่กําลังพูดหรือผู้ที่กําลังฟังอยู่เพียงครับหากว่าตาฝอยเงยงของเรามืดบอดขอพระเจ้าได้วอวยพระพรสรงเมตตานะครับเปิดตาฝอยเงยของเราที่อยู่ในตัวเราเนะี่ย ทำให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เราเห็นนะครับทําให้ภาพที่บิดเบือนงที่เกี่ยวกับความขี้นั้นกลายเป็นภาพที่ดีครับภาพที่ไม่บิดเบี้ยวต่อไปครับนี่คือภาพแรกนะครับที่พระเยซูได้ทรงยกมาเพื่อใช้เป็นคําสอนในชาวันนี้ภาพที่สองอยู่ในข้อที่ยี่สิบสี่ครับภาพที่สองอยู่ข้อที่ยี่บสี่ที่นี่พูดถึงว่าการปฏิบัติรับใช้นายสองคนนายคนหนึ่งมีชื่อว่าพระเจ้านายคนหนึ่ง มีชื่อว่าเงินทองพระเยซูกําสต์บอกนะครับบอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัตเิตเงินทองพร้อมกันไม่ได้พี่น้องครับบางคนบอกว่าโอเคนะครับต่อไปนี้ผมจะลดความสําคัญของทรัพย์สมบัติลงในสายตาของผมแต่ผมขอให้มันเท่ากันได้ไหมพระเยซูเจ้าข่า เปเยซูกำลังบอกครับบอกว่าไม่มีใครเป็นค่าสองเจ้าบาวลงไหได้เพราะว่าถ้าเราจะเอาให้มันเท่ากันนะครับมันเป็นแต่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องรักอย่างใดอย่างหนึ่งครับรักข้างใดข้างหนึ่ ง, งเพราะว่าจะช่างไงข้างหนึ่ ง, งจะรักในข้างหนึ่ ง, งจะนับถือในฝ่ายหนึง่งและจะดูบินในฝ่ายหนึง่งระเยซูฟันคงครับเปเยซูตรัสนะครับบอกว่าท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกัน ไม่ได้นะครับคําว่าเจ้านายครับภาษากรีกใช้คําว่า κυριος นะครับคําว่าปฏิบัติภาษากรีกใช้ว่า κ υ เด α ω นะครับด υ ν α σ ก็คือการตกเป็นท่านะครับเรามีเรือนะครับชื่อว่าด υ ν α σ นะครับก็คือเป็นเรือที่แปลว่าท่าครับหรือแปลว่าผู้รับใช้ก็ได้นะครับก็คือรับใช้เจ้าของนะครับเจ้าของคือไอคือใครเจ้าของเป็นเงินทองหรือเจ้าของเป็นพระเจ้านะครับเราเนี่ยที่ปฏิบัติรับใช้ นะครับจะต้องเลือกครับว่าเราจะเลือกเงินทองให้เป็นเจ้านายของเราหรือจะต้องเลือกพระเยซูพระเจ้าให้เป็นเจ้านายของเราครับพี่น้องครับคําว่า c u r อ o u s แปลว่าเจ้านายนะครับแปลว่าโลดก็ได้นะครับโลดก็คือ lord นะครับซึ่งแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ความหมายนี้ก็คือว่าเราจะต้องสํานึกและก็ตัดสินใจนะครับเลือกใครที่จะเป็นพระเจ้าเงินทองจะเป็นพระเจ้าไหมหรือว่าเราจะ เลือกพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราแสดงว่าความเป็นเจ้าของนะครับเนี่ยเป็นความเจ้าของแบบหมดนะครับทั้งหมดสิ้นเชิงนะครับไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ไม่มีนายสองคนที่สามารถมีบ่าวคนเดียวกันได้นี่นะครับมุมมองนี้เป็นมุมมองที่ดีมากครับไม่มีนายสองคนทีนท่เป็นที่มีความสามารถเป็นบ่าวมีบ่าวคนเดียวกันได้นะครับผู้ใดที่ถูกครอบงําด้วยวัตถุเงินทองก็ไม่ สามารถปลดบัติพระเจ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าผมถูกครอบงําวัตถุเงินทองผมมีเงินทองเป็นพระเจ้าขณะเดียวกันผมจะปลดบัติรับใช้พระเจ้าเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับคําถามในวันนี้เพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้ครวนไต่ตองและภาวนาครับก็คือคําถามแรกครับผมมีสอบถามคําถามในวันนี้ครับผมถามว่าผมจะขออนุญาตถามพี่น้องว่าอะไรมีค่ามากที่สุดสำหรับท่าน ในชุดนี้ครับอะไรมีค่ามากที่สุดสําหรับท่านหรืออาจะถามว่าท่านได้สะสมอะไรซึ่งท่านคิดว่ามีค่ามากที่สุดพี่น้องไม่ตองตอบผมนะครับพี่น้องพูดกับพระเจ้าครับร อ, อะไรมีค่ามากที่สุดสําหรับท่านท่านได้สะสมอะไรซึ่งท่านคิดว่ามีค่ามากที่สุดไว้แล้ว คำถามข้อที่สองครับสิ่งที่ท่านได้สะสมไว้และสิ่งที่มีค่ามากสําหรับท่านมากที่สุดนั้นสามารถถูกทําลายไปได้ไหมสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่ท่านได้สะสมไว้สามารถถูกทําลายไปได้ไหมสนิมคืออะไรของท่านครับมแมลง คืออะไรครับสำหรับท่านและขโมยคือใครครับสำหรับท่านที่ได้เคยลักขโมยทรัพย์สมบัติของท่านไปแล้วหรือสามารถทำให้สิ่งที่ท่านสะสมไว้นั้นมันต้องเสื่อมสลายไปคำถามข้อที่สามในวันนี้ก็คือ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ากับท่านในสวรรค์หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ากับท่านในสวรรค์หรือเปล่าพี่น้องทับผมอยากเป็นพยานนิดหนึ่งครทัพว่าในชีวิตของผมนั้นแต่เดิมนั้นก็เป็นแบบที่เพื่องปีนี่สอเลยครับคือพระเจ้ามาทีหลังครับและเงินทองค่าสมบัติอนาคตความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผมนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงนั้น ในช่วงจังหวะของชีวิตนั้นผมก็ทุ่มเทชีวิตในการหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของผมและคิดว่าหลังจากอายุหกสิบ ท, ที่เรากเกษียณแล้วค่อยมารับใช้พระเจ้าเหมือนกับหลายๆคนครับที่เขาก็มารับใช้พระเจ้านะครับเขาล่ํำรวยแล้วเขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเขากลับใช้พระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมได้เคยผ่านมา ปรากฏว่าพระเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นตามพระคัมภีร์เลยครับนะครับอย่ารักเงินทองครับต่อมาครับผมก็ต่อลองกับพระเจ้าว่าผมขอทําในส่วนของผมได้ไหมจะได้ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นจะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยเงนินถวายพระเจ้าก็บอกผมครับว่าก็มีท่าสองเจ้าบ่าวสองนายไม่ได้ครับผมจะต้องเลือกที่จะปนิบัติพระเจ้าแทนที่จะปฏิบัติเงินทอง พร้อมกับบริบาลพระเจ้าไม่ได้เพียงครับเมื่อผ่านมาประมาณยี่สิบกว่าปีผมเห็นครับว่าพระเจ้าได้ทรงสัต์ซื้ออย่างแท้จริงครับโปร่งได้ให้สิ่งที่เพียงพอสําหรับผมและครอบครัวเสมอเมื่อผมเลือกที่จะบริบาลพระเจ้าขอพระเจ้าวอว้ความเพี่ง้อให้ทุกท่านอาเมน